การกดอาหารก็อดเพื่อภาวนาไม่ได้อดเพื่ออย่างอื่นถ้าใครอดอาหารเพียงจะแข่งกับหมูเท่านั้นอดเปล่าประโยชน์อดเพื่อจะให้มันหลายวันเฉยๆอดเปล่าประโยชน์อดไปแล้วยิ่งฟุ้งยิ่งซ่านยิ่งไปหาคุยกับหมูกับเพื่อนันน้ใช้ไม่ได้การอดอาหารต้องอยู่ในความสงบดูใจของตนเองถ้าว่าใครอดอาหารแล้วดูใจของตัวเองได้อยู่ในความสงบ ไม่ปุงฟุ้งซ่านเราจะไปอยู่ที่ไหนในทิศทั้งสี่อยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ตามลาพังตัวเองก็ได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ได้อยู่หมู่มากก็ได้อยู่หมู่น้อยก็ได้แต่ถ้าว่าตัวเองภาวนาไปหาคิดจะปรุงฟุ้งไปหาคนอื่นไม่ได้ล่ะแปลว่าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขไปอยู่ที่ไหนก็กวนหมู่คุยทั้งวันทั้งคืนหาความสงบสุขไม่ได้แต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองหรอก แต่คนอื่นดูแล้วผู้ปฏิบัติดูแล้วนาทุเลศพระองค์ น, นี้ใช้ไม่ได้องค์ฟงซานหากุยตะหมู่ฟกเพื่อนอยู่ตามลําพังไม่ได้อันนี้ให้พวกเราอย่าคิดว่าคนอื่นไม่ดูให้ดูตัวเองเอาไว้อันนี้คือการอดอาหารแต่ทามันหิวออกมาฉันเรามันดอดเพื่อให้ตายเราอดเพื่อภาวนาทํามันฉันมากเป็นไงมันง่วง มันง่วงมันหาวนอนนอนไม่รู้จะตื่นเราต้องอดอาหารในเมื่ออาหารไม่อยู่ในท้องความหิวก็มีจริงอยู่แต่ว่าความง่วงไม่มีเราจะไปนั่งภาวนาที่ไหนใจของเราสงบนิ่งทั้งนั้นแหะจะต้องใช้การบังคับบ้างจะให้มันอยู่ตา ม, ามอําเภอใจตามอาถาใจเป็นไปไม่ได้พออดอาหารแล้วอยากจะให้มันนั่งนานเลยเป็นไปไม่ได้มันจะอยู่ในใจอีกอย่างเก่านั่นแหละเราก็ต้องบังคับ ให้เราอยู่ในความสงบให้นิ่งให้อยู่ในกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนทามันงงฟุง้งจริ ง, รงๆเอาอ่านหนังสือฟังเทปถ้าฟังเทป ย, ย, ยังไม่อยู่ทดลองอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือยังอยู่ท่องหนังสือท่องบทใดบทหนึ่งพยายามท่องอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทําให้ไม่ให้มันฟุง้งเดอยวไปปล่อยให้มันฟุง้งเดี๋ยวปล่อยฟุ้งมากเป็นบ้าปง่ายๆเหมือนกันนะ ยิ่อดอาหารเนี่ยอาหารมันมีอยู่ในท้องน่ะถ้าคิดอะไรคิดแบบมันคิดนอกโลกนะไม่ใช่คิดอยู่ในโลกธรรมดาเพราะนั้นเวลามันเอามาอยู่ล่างมาอยู่รีบมาชั้นอาหารอยปล่อยให้ตัวเองเป็นบาสนีมันเคยมีนะปูดทั้งนี้ทั้งนั้นน่หลวงพ่ออดมาก่อนแล้วหลวงพ่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการอดอาหารเราไม่ได้อดเพื่ออย่างอื่นเราอดเพื่อภาวนา าทานอาหารมา ก, กเป็นยังไงทานอาหารน้อยเป็นยังไงอดอาหารเลยเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือเพื่อจิตใจทั้งนั้นอ่ะจากนั้นก็ดูผลผลก็คือใจในใจของเราน่ะมันเป็นยังไงในขณะที่อดอาหารมันเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้สังเกตทบทวนอยู่เสมออันนี้แต่ว่าการทำมาค้าขายของเราเนี่ย เราได้ทบทวนทุนกําไรไว้อยู่เสมอแต่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดรอบคอบการที่จะทําจ่งไหนรอบคอบรอบด้านไม่ใช่เขาอดซื่อบือ้อเห็นเขาอดก็ อ, อดไปอดแล้วไปหาคุยหมูทั้งวันใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะอย่าไปทําดีกว่าทําให้คนอื่นลาคาญอีกต่างหากตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอดมันก็ต้องดูนั่งอยู่กับกุฏิตัวเองเดินโยงกลมออกเดินแล้วก็นั่งออกจากนั่งแล้วก็เดิน ท่านเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนบ้างพักผ่อนมันก็ไม่หลับหรอกอาหารไม่มีในท้องหลับก็หลับน้อยมากแต่ให้มันเพียรมันมันไม่เพียรหรอกมันไม่หิวไม่หิวอึดจางหะถ้าอดสองสามวันไปแล้วยิ่งฝนตกอย่างเนี้ยอย่างฝนตกลินอาการเย็นๆอย่างนี้าา เ, เหมาะที่สุดการอดอาหารแต่เดินไม่ได้แต่พอฝนหยุดแล้วก็ลงไปเดินได้บางทีแฉะยังเดินยังลงไปเดินเดินเป็นไรไปเราเดินไปที่อื่นยังเดินได้หลวงปู่บัวน้องแซง ท่านไปอยู่ที่ห้วยทรายพวกน้าพวกอาพวกญาติพี่น้องหลวงพ่อยัง พ, ง, ง, งพูดใหฟังหลงปูบัวน่ยขยันจริงๆขนาดเดินจงกรมน่ยทางจงกรมเลยเป็นล่องเลยมั้งนั้นพอฉันจังหันเสร็จกั้นร่มเดินจงกรมฝนตกนี่ยก็เดินกา้นร่มเดินมั้งนั่นเอาสิฟังสิครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่จะไม่หยุดเดินจงกรมถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานจึงจะออกจากทางเดินจงกรม ถาจิตยังฟุงปูงฟุ้งเอามาอยู่จะเดินโยกรมอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นท่านเดินโยกรมเป็นหลักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูให้ฟังถึงจะไม่ทําถึงขนาดนั้นก่ออันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาแล้วพาปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่ว่าฉันจังหวะเสร็จแล้วก็ไปนอนตาปรือ้อยังนั้นไม่ได้เลยพอนแลนเองกินแลนอนอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอย่างน้อยก่อนั่ง ภาวนานั่งคิดนั่งอ่านถึงจะนอนก็ น, นอนพิจารณาร่างกายเรานอนเนี่ยเหมือนกับคนตายถ้าหมดลมเมื่ อ, อไหร่ก็เหมือนกับคนตายแล้วใจของเราเนี่ยก็อยู่ในร่างกายของเราเราพิจารณาเราเห็นกายแต่เมื่อกายตายแล้วใจของเราเนี่ยก็ อ, ออกจากร่างไปอีกเหมือนกันไปหาเกิดที่อื่นอีกวันนั่งกายกับใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ เดี๋ยวนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วถามดูใกล้หรือยังแล้วก็ชีวิตของเราทุกคนพอพูดในเจ้าท่านบอกว่าเหมือนน้ำค้างใบบัวหรือเมล็ดงาอยู่ปลายเหล็กแหลมพร้อมที่จะกริ่งตกได้ทุกเวลาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เลือกเว ล, เวลาไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก พร้อมที่จะล้มหายตายจากโลกนี้ได้ทุกเวลาเหมือนกับผลไม้พอออกดอกขึ้นมาเม็ดเล็กๆเป็นลูกเล็กๆก็หล่นเราให้สังเกตดูซิมะม่วงเม็ดเล็กๆมันหล่นไหมมันก็หล่นพอเม็ดโตเท่าหัวแมลงวันมันก็หล่นอีกพอโตขึ้นขนาดนิ้วโป้งนิ้วก้อยมันก็หล่นลงอีกขนาดเป็นนุมจะเข้าแกนมันก็แตกหล่นลงอีกเมื่อมันสุก มันก็หลดแล้วมะม่วงไม่มีลูกไหนที่จะอยู่ในต้นมะม่วงได้ข้ามปีข้ามเดือนเป็นอนันตการไม่มีมันก็หล่นทั้งหมดเมื่อมันสุกแล้วแปล ว, ว่าปีหนึ่งจบอันนี้แปลว่าครอบรอบของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะชีวิตของเราเหมือนถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กับเหมือนผลลไม้เราจะเอากีลังขาวรแน่นอนกับสังขารร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้ ร่างกายนี่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอย่างสมมุติว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาภูก้อนวั น, นั้นแต่นับหนึ่งวันเกิดก็ว่า น, นับหนึ่งจากหลังเขาภูก้อนถ้าจะเปรียบเทียบกับน้ำเลยน้ําตกลงจากหลังเขาภูกร้อนไหลลงไหลลงจากหลังเขาภูก้อนไหลลงมาลํารางออกจากลําลางตกน้ำโสมออกจากน้ำโสมตกลงน้งําโขงพอถึงน้ําโขงก็ไหลไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยอยู่นั่นนะ่ะอยู่เขาเลือกอะไรแกล้งผีแก้ง ผ, งผงีในระหว่างเมืองลาวกับเขมรเนี่ยผู้พานข้ามไปทางเมืองลาวขเขมรมันเป็นแดนกลางเป็นหินขูดขาบมาตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ําข้ามภูเขาแบบนั้นเป็นหินสลับซับซ้อนมากที่น้ำโขงมันผ่านตรงนั้นเขาเรียกว่าแกล้งผีแบบนั้ น, นคงจะเป็นพวกผีตายไป เราไปค้างอยู่ที่นั่นน่ะกระูกใครจะกระดูกใค ร, ร, ใ ค, รคงจะไปค้างกันอยู่ที่นั่นเหมือนกนะันเน่ยเพราะว่ามันเป็นภูเขาสลบับซับซ้อนมากตรงนั้นที่น้ำไหลข้ามเ่ะนนะชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยขนาดนั้นแหละเดือนหกสิบจากนั้นก็นเลยจากนั้นไปกับข้ามแก่งผีไปกันใกล้ทะเลเขาไปเรื่อยๆนะตกทะเลกัไปว่าจบชีวิตอเดี๋ยวนี้มันครึ่งค่อนเข้ามาแล้วจะว่าครึ่งไม่ได้ ถ้าว่าครึ่งห้าสิบปีอายุครึ่งไม่ได้คนอายุร้อยปีหาได้ยากเพราะนั้นจะว่าตัวเองอายุหกสิบปีครึ่งแล้วไม่ได้ได้หรือว่าใกล้ไป ถ, ถ้าเป็นตะวันก็ประมาณทักบ่ายสองบ่ายสามเข้ามาละบ่ายสองประนาณา 2, นไปเพราะนั้นชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าประมาทจปนเกินไปนะแต่ถึงยังไงยังไงก็ให้ภาวนาเอาไว้ภาวนานี่แหละทากิจจาใจสาคัญ อย่าไปตีโพยตีภยัยอย่าไปหาดูถูกมาพูดให้คนอื่นให้ดูลักษาเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งเท่านั้นมีทางเดียวไม่มีอย่างอื่นอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ภาวนาให้ได้พยายามปล่อยวางให้ได้ พยายามดูร่างกายสังขารของเราให้ได้ให้ดูให้แยกออกร่างกายสังขารกับจิตใจนั้นคนละอันกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายมันแตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่จะต้องไปเกิดไปปฏิสนธิออกจากร่างกายนี้แล้วไปหาเกิดที่อื่นถ้าเรามีบุญก็ไปเกิดที่สูงส่งขึ้นไปได้ถ้าเรามีบาปก็ตกนรกหมกไหมไปเรื่อยละ เพราะนั้นเราจะให้เสียท่าเสียจีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบประธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้พวกเราสําเร็จสํานึกไว้อยู่เสมอหลวงพ่อพูดครั้งไหนก็บอกว่าคนทั้งหลายไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าทําคุณงามความดีเพราะไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่แต้วาตาไม่จริงตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วครูบาอาจารย์ยืนยัน หลวงปู่หลวงตาท่านภาวนาแต่หลวงพ่อก็เถอะหลวงพ่อยืนยันร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันะตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นทุมเทลงไปเถอะคุณงามความดีสั่งสมบุญไวเ้เถอะยาประมาท ต, ตายแล้วไม่สูญจริงๆตายแล้วเกิดอีกในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้อุปเเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ท่านตายแล้วสูญเขาจะระลึกได้ยังไง พระพุทธเจ้าแล้ลูกชาติผลลังได้มป็นลูกกี่ร้อยกี่พันชาติตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าทีปังกรนะก่อนที่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นผู้ประยาการพระพุทธเจ้าของเรานะสมัยนั้นเป็นสุเมธาดาบทเนเป็นดาบทอยู่ในป่ามีชาตท่านเหาะได้เห็นประชาชนทั้งหลายกําลังทําถนนหนทางเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระสง์เดิน ไปบินธบาตตอนเช้าอย่างฝนตกอย่างเนี้ยสุเมธ า, าออก็เหาะมาทางอากาศมาเห็นประชาชนกําลังทําถนนกันอย่างอุดตลุดว่างั้นเถอะเพื่อจะให้ทันพระพุทธเจ้าบินธบาติพระพุทธเจ้าเสด็จมาคงจะรีบด่วนมั้งองมาได้บอกรวงหน้าพี่น้องประชาชนญาติโยมแต่ไรกันออกไปทําถนนหนทางกันอุดตลดุดสุเมธานดาวบด ท, ท่านของมาทางอากาศ พอมาเห็นคนทําถนนท่านเอา้าพวกท่านท่านทําอะไรทําห้ทำคำมักคำเม น, นักเขาก็บอกว่าทําถนนเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระสง์สเสด็จไปบินทบาะให้ทันตอนเช้าเนี่ยเอา้าให้ผมช่วยได้ไห้ก็ได้เขามันเขาก็เห็นว่าฤือีเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมเขาก็เอาที่ขี้โคลนนะให้ลือีทำเหมือนกัเอีเขาว่าววาลือศีคงจะใช้ฤทธิ์ทำแต่ที่ไหนได้ฤือีก็ท่างใช้จอบใช้เสียมใช้มือเหมือนกันเหมือนกันแต่ก็ คือสีก็ถลกหนังเสือออกแล้วก็ม้วยผมดีๆแต่มัดผมดีๆกัจงกับเบนน่ยไปจอบขุดดินเนี่ยทําถนนพอนทําทําทําทําไปแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมายังไม่เสร็จยังหน่อยหนึ่งเอี่ยังของสุมเมธาผมมันเป็นน้ำเนยสุมเมธะนอนเลยนอนเหยียดกายหานันศีรษะมาทางพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าใต่หลังตัวเองเลยพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยเท่านั้นอยูกกรพสง่์ทั้งหลายดาบทคนนี่ ต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตม ะ, ะโคตมะโคตพระโคลมบิดาชื่ออย่างนี้มารดาชื่ออย่างนี้พรนยาชื่ออย่างนี้บุตรชื่ออย่างนี้อัคคสาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนี้พุทธอุปถากชื่ออย่างนี้พุทธอุปถากชายอุปถากหญิงชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้หมดจากนั้นก็ พระพุทธองค์ของเราเป็นโพธิสัตว์ก ร, ระบาลเป็นได้รับพยากรกระบาลแน่นอนจะต้องไดเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อรับพยากรจากพระพุทธเจ้าเลยแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นท่านก่อนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสา ร, รกบกวนเวียนสูงๆู ง, ง ต, ต่ำตลุ่มลุ่มดอนๆอนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบังเป็นพระเจ้าแผ่นดินบังเป็นพวกกตะบังเป็นสัตว์รสารสิงห์บังบกวนเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารเพราะนั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแต่ไม่รู้การเกิดนั้นสุดแท้แต่การกระทําของเราถ้าเกิดพบในชาตินี้เราประมาทเลินเล่อลืมตัวมีแต่กินมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแปลว่าชีวิตนี้เกิดมาขาดทุนแต่ถ้าว่าเกิดมาชาตินี้เราสั่งสมบุญกุศลทําบุญทําทานไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติดีธรรมา ชาตินี้เป็นกุศลจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดมาไปว่าสั่งสมบุญกุศลได้กำไรไปเกิดสูงส่งขึ้นพอไปเกิดในที่สูงขึ้นมาแล้วมีเงินมีคำทรัพย์สมบัติลืมตัวเข้ามากินเหล้าเมายาสุลานารีสิ่งชั่วทั้งหลายทำหมดเอพอมีเงินขึ้นมาตกตาลงไปเอง ก, ก็ตาตัวกล้าวยุ่งยากลาบากเอาทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้า ง, งคุณ ง, งามความดี ปกอบคุณงามความดีเข้ามาอีกอา้าวสูงสูงขึ้นไปอีกพอสูงคุณทำความช่วยอีกบางคนก็ทําพอขึ้นสูงสู ง, สงไปทําคุณงามความดีก็มีแต่บางคนพอสูงสูงขึ้นมาทําความชัว่วตกนรกโมกไม่เอ้าโทษซะก่อน เ, อเมื่อพ้นจากโทษมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นทุกข์เห็นยากอา้าวสร้างคุณงามความดีมั่นเป็นอยู่อย่างนี้ในชีวิตของมนุษย์ชาติพระพุทธองค์ท่านมองไป ในอนดีตชาติของพระ อ, องค์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าใจดวงนี้ของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลุ่มรุมรอนรอนสูงสูงต่ำๆไม่มีที่สิ้นสุดน่าเบื่อสิ่งที่ให้มันกลิ่นไปกลิ่นมาในพบน้อยพบใหญ่พบภูมิต่างๆนั้นเพราะอะไรพราะพุทธองค์มาในชาติตัตตารุนะพระองค์กับพิจารณาดูก็คือตัวกิเลสทั้งหลาย ในใจของโผงคือราคะโทสะโมหะตัวโมหะตัวอวิชชาเนี่ยพาให้ดวงวิญญาณนี่ลุ่มหลงมัวเมาในวัฏสงสารตัวกิเลสนั่นก็คือวัชพืช ท, ที่เกิดมาจากแผ่นดินตัวอวิชชาเนี่ยคือแผ่นดินนะอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราเนความโง่ตัวนี้เหมือนกับแผ่นดินราคะเนี่ยเกิดขึ้นมาเหมือนกับวัชพืชต้นไม้เกิดจากแผ่นดินโทสะ เหมือนกับต้นไม้เกิดในแผ่นดินถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่รักอถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภคือว่าตัวหลงเป็นพื้นาฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นอย่างพระนาคามีท่านชําระกิเลสราคะโทสะได้แต่ยังเหลือโมหะยังไม่จบท่านก็นยังไปอยู่ชั้นพรมห้าชั้นอวิหาตปาทุษาสุสีเนี่ยแต่ถ้าว่าชําระตัดกิเลสอวิชชา โมหะได้แล้วเข้าสู่นิพพานเลยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระพุทธองค์ดูตัวนี้แล้วกิเลสที่ว่าจิตใจของมนุษย์ชาติสัพสัตทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรสารนี่คือตัววิชาเป็นตัวแปรที่ทําให้สัพสัตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรสารเพราะนั้นท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายบําเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคแปดเดินไปหามรรคหาผล เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอย่าประมาทนะตกทะเลแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแหละแต่ว่าที่เราจะไปสู่พรโลกนั้นไม่ตายไม่สูญบุญกุศลมีจริงทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญเพราะนั้นสังสมเอาไว้อย่าประมาท เ, าเก็บหอมรอมริบใส่ใจเอาไว้ทุกคนไม่หนีหนีไม่พ้นทุกคนหลวงพ่อที่พูดที่นี้กันี้ไม่พ้นเหมือนกัน แต่เยียวยาไปตามอัตภาพเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาพยาบาลดูแลสุดความสามารถเมื่อสุดความสามารถเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหามไปเผาได้เสร็จบเพียงแค่นั้นได้พบหนึ่งชาติหนึ่งเกิดชาติหนึ่งละบาทเลยจะเน้นก็ต่อไป อ, อนับชาติที่สองต่อไปอีกไปหาเกิดดีกว่านี่จะไปเกิดที่ไหนถ้าเรามีบุญกันนะไปเกิดสูงส่งขึ้นไปไม่ต้องเกิดกระทุกยากลําบากไปเกิดไปเลือกเกิดเราเลย ที่ไหนมันรวยเกิดมาชาติหน้าเราจะเกิดเพื่ออะไรเราจะเกิดมาเป็นนักบวชหรือเวเราจะเกิดมาเป็นเศรษฐีหรือเราจะมาเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาหรือเราจะเกิดเป็นพ่อค้าหรือจะเกิดเป็นกรรมกรเราเลือกเกิดได้ทั้งนั้นดูแม่ของเราดูพ่อของเราก่อนที่จะไปเกิดพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาเกิดท่านก็มองดูเลยเราลงไปเกิดนี่เราจะเป็นอะไร ท่านก็มองเห็นนะพระเจ้าสุดโทชนะนางอย่างสตรีมหามายาพมานดาเออเราเกิดนี้ลงไปในตรงเป็นเป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่อเกิดไปแล้วเราจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคราวนี้บารมีของเราถึงแล้วนะเลือกเกิดคนมีบุญเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคนมีบาปเลือกเกิดไม่ได้แล้วพอตายปุ๊บก็ไปกับไปเห็นโพรงใหญ่ๆไปเกิดจะเป็นท้องวัวท้องควายไปเลยเพ้นไปอยู่ถ้ำใหญ่ๆออกมาเป็นลูกสัตว์ไปเป็นแฮ่ เรียต้องระวังนะสั่งสมบูรณ์กุยสนไว้นะก่อนตายต้องระวังนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้นะให้มีสติไว้นะอย่าไปคิดถึงใครอื่นนะต้องให้ดูใจตัวเองนะพยายามทําจิตให้สงบไวนะ้นั่นแหะก่อนที่จะตายให้เตรียมพร้อมอย่างนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ปราโลกภายภางหน้าต้องทําใจอย่างนั้นไว้ถึงจะไม่ตายก็เถอะนะต้องเตรียมม้อยอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งต้องประจญภัยแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น